คุณค่าทางจริยธรรมในด้านคุณค่าทางจริยธรรมคำสอนต่างๆมักอ้างอิงถึงอนิจจตาคือความไม่เที่ยงมากกว่าลักษณะอื่นอีกสองอย่างทางนี้เพราะความไม่เที่ยงเป็นภาวะที่ปรากฏชัดมองเห็นง่ายส่วนทุกขตาเป็นภาวะที่มองเห็นยากปานกลางจัดเป็นลําดับที่สอง และอนัตตาเป็นภาวะที่ประณีตมองเห็นได้ยากที่สุดจัดเป็นลำดับสุดท้ายอีกประการหนึ่งท่านกล่าวถึงอนิจจตาที่มองเห็นได้ง่ายเพื่อเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่จะนำเข้าสู่ความเข้าใจในทุกขตาและอนัตตาต่อไปพุทธพจน์สองแห่งต่อไปนี้ซึ่งก็แสดงอนิจจตาเป็นข้อเด่นนำไว้ ถือได้ว่าเป็นตัวแทนที่ชี้ถึงคุณค่าทางจริยธรรมสองประการของไตรลักษณ์คือหนึ่งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบวางเห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข 2. สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือจงบำเพ็ญกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพุทธพจน์นี้เป็นปัดชิมวาจาของพระพุทธเจ้าถือกันว่ามีความสำคัญอย่างมากเบื้องต้นขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าที่จริงพุทธพจน์ข้อแรก แสดงถึงสภาวะที่เป็นสัจจะคือภาวะสงบสังขารหมายถึงนิพพานนั่นเองเป็นการบอกให้รู้ว่านิพพานที่เป็นภาวะสงบสังขารไม่ต้องเปลี่ยนแปลงขึ้นต่อการเกิดดับเสื่อมสลายอีกต่อไปนั้นเป็นภาวะที่เป็นสุขแต่พุทธพจน์ที่เป็นคาถาบทนี้เรานำมาพูดมาอ้างกันบ่อยมากจนอยู่ในประเพณีของคนทั่วไปคือบทว่า อนิจจวัตสังขาราเมื่อเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปจะให้เขาได้รับประโยชน์ก็จึงมองความหมายซึ่งอิงนิพพานที่โยงมาสู่การปฏิบัติในแนวทางของความสงบสังขารที่คนทั่วไปเหล่านั้นจะพิจารณาได้เป็นการชี้นัยยะที่เน้นคุณค่าทางจริยธรรมดังจะกล่าวในที่นี้พุทธพจน์ข้อที่หนึ่ง ชีถึงคุณค่าในด้านการวางใจต่อสังขารคือโลกและชีวิตให้รู้เท่าทันว่าสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นสภาพปรุงแต่งล้วนไม่เทียงแท้ยั่งยืนต้องเปลี่ยนแปลงแปรโปรนไปไม่อาจคงสภาพเดิมอยู่ได้มีใจตัวตนที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปได้ตามความปรารถนามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองเมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ก็จะมีท่าทีของจิตใจที่ถูกต้องไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแม้สิ่งทั้งหลายที่พบเห็นเกี่ยวข้องจะแปรปรวนเสื่อมสลายพลัดพรากสูญหายไปจิตใจก็ไม่ถูกครอบงำย่ำยีบีบคั้นยังคงปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานอยู่ได้ด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดาพาให้ถึงความสงบ คุณค่าข้อนี้เน้นความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตใจเป็นระดับโลกุตระเรียกง่ายๆว่าคุณค่าด้านการทำจิตพุทธพจน์ข้อที่สองชี้ถึงคุณค่าในด้านการปฏิบัติกิจหน้าที่เพื่อความมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นอยู่หรือดำเนินไปยังถูกต้องดีงามในโลก อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นและเพื่อให้เข้าถึงบรมธรรมที่เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตโดยให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งชีวิตและโลกล้วนเกิดจากองค์ประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้นดํารงอยู่ได้ชั่วคราวไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีความบีบคั้นกดอัดขัดแย้งแฝงอยู่ทั้งภายนอกและภายใน จะต้องสุดสทมแตกสลายเปลี่ยนแปลงกลายรูปไปไม่อยู่ในอำนาจของความปรารถนาขึ้นต่อเหตุปัจจัยและเป็นไปตามเหตุปัจจัยกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยนี้ดําเนินไปตลอดทุกขณะไม่รอเวลาไม่คอยความปรารถนาไม่ฟังเสียงเรียกร้องวิงวอนของใครเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตนี้สั้นนักและไม่แน่นอน จะวางใจไม่ได้เลยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ได้กระตือรือร้อนเร้าเตือนกระตุ้นตนเองให้เร่งรัดขวนขวายทำสิ่งที่ควรทำและเว้นสิ่งที่ควรเวน้นไม่ละเลยไม่รอช้าไม่ปล่อยเวลาและโอกาสให้สูญเสียไปเปล่าเอาใจใส่แก้ไขสิ่งเสียหายที่ได้เกิดขึ้นระมัดระวังป้องกันหนทางที่จะเกิดความเสื่อมสุดเสียหายต่อไป และสร้างสรรสิ่งดีงามความเจริญก้าวหน้าโดยไตรตรองพิจารณาและดาเนินการด้วยปัญญาอันรู้ที่จะจัดการตามเหตุปัจจัยทำให้เกิดผลสำเร็จด้วยดีทั้งในแง่กิจที่ทำและจิตใจของตนคุณค่าข้อนี้เน้นด้านความไม่ประมาทเร่งรัดทากิจเป็นระดับโลกิยะเรียกง่ายๆว่า คุณค่าด้านการทำกิจคุณค่าข้อที่สองนี้จะต้องใช้กับเรื่องของชีวิตละกิจต่อโลกทุกขั้นทุกระดับตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยส่วนตัวจนถึงความเรียบร้อยดีงามของสังคมส่วนรวมตั้งแต่ประโยชน์ขั้นต้นจนถึงประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การประกอบการงานอาชีพสแสวงหาทุนทรัพย์ของคฤหัจนถึงการบาเพ็ญเพียร แหวงโพธิญาณของพระพุทธเจ้าดังจะเห็นพุทธพจน์ต่อไปนี้เป็นเครื่องชี้คุณค่าชุดที่หนึ่งพิกสุทั้งหลายเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตนคืออัตถะก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นใหถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่นคือป ร, รัตถะ ก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์นทั้งสองฝ่ายคืออุปยัตก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชุดที่สองมหาบพิต ธรรมะเอกอันเดียวที่ยึดเอาประโยชน์คืออัฏฐะได้ทั้งสองอย่างคือทั้งประโยชน์บัดนี้หรือประโยชน์สามัญทิ่ฐาเห็นคือทิฏฐะธรรมิกัฏะและประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ที่ลึกล้ำยิ่งขึ้นไปคือสัมปราญิกัฏฐานั้นมีอยู่นั่นคือความไม่ประมาทหรืออั ป, ปมาทะผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิต ยอมยึดเอาได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างคือทั้งประโยชน์บัดนี้และประโยชน์เบื้องหน้าจะเรียกว่าทีระชนหรือบัณฑิตก็เพราะบรรลุ ป, ประโยชน์ทั้งสองนี้ชุดที่สภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้ผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีล อาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุยอมประสบกองโผคะอันใหญ่อีกแห่งหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายโภทิคือความตรัสรู้อันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่ประมาทแม้หากพวกเธอจะพึงเพียรพยายามอย่างไม่ระย่อท้อถอยไม่นานเลย แม้พวกเธอก็จะประจักษ์แจ้งจุดหมายของชีวิตประเสริฐคือพรหมจรรย์เข้าถึงได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาตินี้ทีเดียวคุณค่าสองข้อนี้สัมพันธ์กันและเสริมกันเมื่อปฏิบัติให้ได้คุณค่าครบทั้งสองอย่างจึงจะได้รับประโยชน์บริบูรณ์และคุณค่าทั้งสองนี้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 มัวเมาเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านั้นราวนี้พอมองเห็นไตรลักษณ์เข้าแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปกลายเป็นรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจอยากจะหนีไปเสียให้พ้นบางทีถึงกับรู้สึกเกลียดกลัวหรือขยะดขยงนับว่าเป็นขั้นที่ความรู้สึกแรงกว่าความรู้เรียกอย่างภาษาไทยว่าอารมณ์เหนือปัญญาขั้นตอนแรกนี้ แม้ว่าจะเป็นขั้นตอนที่ปัญญายังไม่สมบูรณ์และความรู้สึกยังเอียนเอียงแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญคือบางทีถึงกับจาเป็นในการที่จะถอนตนให้หลุดออกไปได้จากความหลงไหล ย, ยึดติดซึ่งเป็นภาวะที่มีพลังแรงมากเพื่อจะสามารถก้าวต่อไปสู่ภาวะที่สมบูรณ์ในขั้นตอนที่สองต่อไปในทางตรงข้ามถ้าหยุดอยู่เพียงขั้นนี้ ผลเสียจากความรู้สึกที่เอยนเอียงก็จะเกิดขึ้นได้ขั้นตอนที่สองเมื่อความรู้เท่าทันนั้นพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นความรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาเจริญเข้าสู่ภาวะสมบูรณ์เรียกว่ารู้เท่าทันธรรมดาอย่างแท้จริงความรู้สึกเบื่อหน่ายรังเกียจ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 พัฒนาการทางจิตปัญญาในขั้นตอนที่สองนี้ในระบบการปฏิบัติของวิปัสสนาท่านเรียกว่าสังขารุปเปกขาญาณญาณอันเป็นไปด้วยความเป็นกลางต่อสังขารเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นในการที่จะเข้าถึงความรู้ประจักษ์แจ้งสัจจกและความเป็นอิสระของจิตโดยสมบูรณ คุณค่าด้านความเป็นอิสระหลุดพ้นของจิตนี้โดยเฉพาะในระดับที่พัฒนาสมบูรณ์แล้วคือถึงขั้นตอนที่สองจะมีลักษณะและผลข้างเคียงที่สำคัญ2ประการประการที่1ความปลอดทุกขคือเป็นอิสระหลุดพ้นจากความรู้สึกบีบคั้นที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นต่างๆมีความสุขที่ไม่ยิงอาศัยอามิ หรือไม่ขึ้นต่อสิ่งล่อปลอดโปรง่งพ่องใสสดชื่นเบิกบานไร้กังวลไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เหี่ยวแห้งไปตามความพัน ผ, นผวนปวนแปรขึ้นขึ้นลงๆที่เรียกว่าโลกธรรมไม่ถูกกระทบกระแทกเนื่องจากความสูญเสียเสื่อมสลายพลัดพรากเป็นต้นลักษณะและผลข้างเคียงประการที่สอง ความปลอดกิเลสคือเป็นอิสระหลุดพ้นจากอำนาจบีบคั้นครอบงำและบงการของกิเลสทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธความติดใคร้ชอบชังความหลงความริษยาและความถือตัวถืออำนาจเป็นต้นโปร่งโล่งเป็นอิสระสงบและบริสุทธิ์ลักษณะข้อนี้มีผลโดยตรงต่อจริยธรรม ทั้งด้านภายในที่คิดการหรือใช้ปัญญาอย่างบริสุทธิ์เป็นอิสระไม่เอียนเอียงไปด้วยชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นต้นและด้านภายนอกที่จะไม่ทําความผิดความชั่วต่างๆตามอํานาจบังคับบัญชาของกิเลสทุกอย่างตลอดจนสามารถทําการต่างๆที่ดีงามตามเหตุผลได้อย่างจริงจังเต็มที่เพราะไม่มีกิเลสเช่นความเกียดคร้าน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 กุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้กล่าวคือเมื่อทำจิตได้แล้วใจสบายมีความสุขแล้วก็ติดใจเพลิดเพลินอยู่กับความสุขทางจิตใจเสียหรือพอใจในผลสำเร็จทางจิตนั้นและหยุดความเพียรพยายามเสียหรือปล่อยปละละเลยไม่เร่งทากิจที่ควรทาไม่จัดการแก้ไขปัญหาภายนอกที่ค้างคาอยู่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 หรืออิมพอคือสันโดษด้วยความเลื่อมใสด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะเจ้ายอมรับเหล่านั้นย่อมไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหลนันทิยะอริยะสาวกชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาททางออกที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียที่กล่าวถึงนี้ก็คือ จะต้องปฏิบัติตามหลักการที่จะทำให้เกิดคุณค่าข้อที่สองควบคู่กันไปด้วย